ขอคารวะถึงเจ้าขอเจริญพรย่าง ด, ดสูสำหรัทุกท่านต่อถึงพระพรหมนานะที่พวกเราทาั้งหญิงและชายได้มาร่วมานรรรมา ป, นปฏิบัติธรรมประจาปีที่จริงปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงานประจาปีรรนะ ประจำปีแปล ว, ว่าปีละครั้งปฏิบัติธรรมนี่มันต้องประจําวันเลยทีเดียวนะอย่ารอแต่ปฏิบัติธรรมเมื่อมีงานปรนะจำปีเนี่ยถ้าใครรอปฏิบัติธรรมเมื่อมีงานประจำปีนะี่ถือว่าประมาทนะแสดงว่ายังไม่พอใจนะเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่มันต้อง ทำแบบทุกวันเรียกว่าประจำวันปฏิบั <Yeah. S 1> ติธรรมหมายความว่าอย่างไร <Yeah. S 1> หลายคนก็คิดว่ามันก็คือ yeah, <Yeah. S 1> การลุ่มขาวหลงขาวมาวัดแล้วก็ยกมือสร้างจังหวดเดินจงกรม หรือบางที่ก็นั่งหลับตาตามลมหายใจอันนั้นมันเป็นรูปแบบเชอเป็นรูปแบบเป็นส่ววประกอบเพื่ออะไรนะเพื่อการฝึกจิตฝึกจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวาง หลวงพ่อคำเขียงนะหลวงพ่อใหญ่ของเรานะีก็เคยพูดนะอยู่เสมอว่าภาวานาคือการปล่อยวางนะปล่อยวางนี่มันปล่อยจิตใจนะบางทีมืออาจจะยังขับรถอยู่หรือว่ามืออาจจะยังจับจอบจับเสียงนะ มืออาจจะยังถือคฟฉายส่องทางแต่ว่าใจไม่ปล่อยวางทีนี้การอาวนาที่ว่านยนะมันคือการสุกจิตนะการฝุกจิตนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีแค่นั้นปฏิบนะัติธรรม ไม่ได้มีแค่าการกกิจเวลาใจบาตเวลาเรายทาง อ, อันนี้ก็เรืยอกปฏิบัติธรรมทำในที่นี้แปลว่าความดีเราทำความดีสร้างหรือสร้างสุศสนเมื่อไหร่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อ น, นั้น แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ทานต่อพระถวายเงินให้วัดจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมทำความมีกับใครทำด้วยใจบรสุทธิทำด้วยจิตที่มีได้ตาตรงาาก็เป็นการปฏิบัติธรรม รักษาสี่งเหมือนนั้นนะรักษาสี่มีสิ่ง5เป็นอย่างน้อยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าสินี้ก็คือธรรมมากอย่างหนึ่งการรักษาสี่ก็คือการทําความดีเป็นการปฏิบัติธรรมการสิ่ตามเรื่ภาวนา ภาวนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่อย่าไปนึกว่ามายกบุญสราจังหวดเดินจงกลมเป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะทำความดีไม่ว่าเป็นทานเสิภาวนาก็ปฏิบัติธรรมแต่ก็ ต้องไม่ลืมนะว่าธรรมะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยใจเป็นเรื่องสองขัญนอย่างที่เราได้เคยฟังพุทธภาสิทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจกระเสิร์สุด สำเร็จแล้วที่ใจหรือว่าสำเร็จแล้วด้วยใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมแท้จริงต้องุญที่ใจถ้าหาว่าเราให้ทานแต่ว่าใจเราไม่ได้คิดละ ไม่ยากที่จะปล่อยจะวางแต่ที่จะเอาอย่างนั้นก็เรียกว่ายัางเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญทำความดีที่ถูกต้องรับใจเนี่ยอย่างไม่ได้เพราะว่าการให้ทานเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อลดความตะนนิ่ ลดความเห็นแก่ตัวเป็นการทำเพื่อนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเช่น ถ, ถาวายแล้วทานให้กับพระเพราะว่าอยากจะให้ท่านได้ใช้สอยเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ในการปฏิธรรม และ้าติการกิจแบบนี้เนี่ยนะเรก็ถวายถือว่าได้บุญมากเพราะว่าเป็นใจที่เมตตาล้นๆ้นแต่ว่าถ้าถวายทางนยไม่ได้นึกถึงผู้อื่นแต่นึกถึงตัวเองอยากจะรวย ถวายเสร็จอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านอยากให้ผูกเว่ยเวยเบอ ร, อร์อย่างนี้เนี่ยใจไม่บริสุทธิ์ยังมีความโลภมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ไม่ได้นะเป็นการทําความดีที่สมบูรณ์ไม่ได้ เจอไปด้วยความโลกบางคนให้ทายเป็นเจ้าข้าพ่อข้าฝ่าพ่อกระถิ้นก็อยากจะโอ้อวดว่าฉันเป็นคนใจรวงสูนทางอันนี้มาเป็นกีเลก น, นะเป็นมานะนะกนิเลสไม่ชั่วมานนะ มานักแรกก็พยานเนี่ยคนไทยอย่างนี้เป็แกลว่ามานักคือความพยายามหรือความขยันมานักพยายามมานักอีกคือความคือกิเลสยกตอนผมท่านหรือว่าสมัยที่ว่ามีอัตตาทําแล้วก็อยากจะให้คนชมว่าทำเป็นคนใจบริสุนทาน เห็นนี่เราทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้านี่ได้บุญน้อยนะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมที่พูดเจ้าสเสราสน์อากับกริยาเป็นการให้ทาง <c oughs> ถวายผ้ากระถิ่นถวายชังกระทางหรือแม้แต่ถวายอาหารแต่ว่า ใจเนี่ยไม่ใช่ใจบริสุทธิ์นะทำด้วยปรียรัติมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่ได้เรีนรู้ที่อกับปริยัิยังไม่ได้นะเรยนรูที่การกระทาภายนอกไม่ได้ต้องมีที่ใจเพราะใจเนี่ยนะมันเป็นตัวที่จะบ่งที่ว่า ที่ทำนั้นเป็นธรรมหรือไม่ใช่ธรรมอย่างที่บอกไว้แล้วทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสาเร็จแล้วที่ใจ <c oughs> บางคนถวายเวลาถวายอาหารพระถวายธีรนพรัชเข่งถวายกับหลวงพ่อหลวงตา <c oughs> ก็คอยดูว่า <c oughs> หลวงพ่อจะถวาย จากฉันอาหารของฉันไหมหลวงพ่อจะครองผ้าของฉันไหมอย่างนี้ก็เรียกว่ายัางไม่มีใจที่ปล่อยวางให้ไปแล้วยังนี้ก็เป็นของฉันอยู่นะถ้าให้ไปแล้วก็เป็นของเขาไม่ใช่ของเราอย่างนี้เรียกว่าให้จริงๆให้รอเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าให้ไปแล้วเนี่ย ใจมันยังเพื่ออ า, าของฉันหลวงพ่อจะฉันของฉันไหมถ้าหลวงพ่อไม่ฉันฉันเสียใจอไเนี่ยเรียกว่ายังมีความยึดติดอยู่ยังไม่ปล่อยได้หวังเวลาถวายกีวรหลวงตาก็คอยรู้ว่าหลวงตาจะห่มจะพร อ, องทีวรท่านไหมถ้าไม่ผมเสียใจ ก็สมควรแล้วนะที่เสียใจเพราะว่ายังทําด้วยใจที่ยึดติดถึงมั่นจิตยังไม่ผ่องสายถ้าว่าทําด้วยใจบริสุทธิ์ใจที่ปล่อยวางทำแล้วจิตจะผ่องสใสที่กินผ่องใสตั้งแต่ก่อนให้แนละ้วก่อนให้จิตผ่องสายให้เสียใจเบิดบานอันนี้เราได้ยุนเพราะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ ถูกต้องบริสุทธิ์ร้อเอร์เซ็แต่เพราะว่าเราให้ทางกบแนิดเก่นเราให้ด้วยใจที่ยังมีความโลภอยากได้รางวัลเป็นควา ม, มั่างข้างร่ำรว ย, ยถูกหวยอันนี้เรียกว่าให้ด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์ ยังมีความโลภข้างนอกเนี่ยรู้วกับปุยาเป็นการให้เป็นการถวายทานททาแต่ข้างในมันไม่ใช่ให้แล้วยังไม่ป่อยไม่วางยังคอยเฝ้าดูว่าหลวงพ่อจะชันของชั้นไหมให้ไปแล้วก็ตเป็นของท่านไม่ใช่ของเราถาวายไปแล้วก็เป็นของหลวงพ่อไม่ใช่ของเราแต่ใจมันยูดเป็นของเราอยู่เป็นของชั้นอยู่ จึงเสียใจที่หลวงพ่อได้ชันของชั้นคนเราทำบุญแล้วเนี่ยปฏิบัตถถิธรรมจิตใจเศร้าหมองเพราะว่าวางใจไม่เก็นปฏิบัติไม่ถูกบางทีทอดพรปรางค์พระปินได้นงินน้อยนอยอย้อยกว่าวัดนึงเสียใจเพราะสุขเสียหน้าอายอายที่หาเงินได้น้อยกว่า อีกวัดหนึ่งอย่างนี้เรว่าทุกนะที่ทุกเพราะอะไรเพราะความใจไม่ถูกใจใม่บริสุทธินะะมีการมีการเปรียบเทียบความด้วยใจที่อยากให้คนสารเสริจ ความอยากให้คนสารเสริญเนี่ยมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะนี่ประมาน่ะนี่ทานนะสิงเหมือนันนะสิงเนี่ยเรารักษาสีไงได้เป็นต้องมารักษาที่วัดก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ต้องมุ่งขาวหมุนขาวก็ได้มันอยู่ที่ใจ เป็นสำคัญบางคนมาวัดนะรุ่งขาวหมขาวนะแต่ว่าไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาตักอาหารก็อยากตักมากกวคนอื่นไม่สนใจคนอื่นอย่างนี้ได้บุญน้อยครับถึงแม้ว่ารุ่งขาวหมขาวมอวัด แล้วก็มาอานปฏิบัติธรรมด้วยไม่เหมือนกับอีกคนที่อยู่วัดอยู่ยยยบ้านหรืออยู่ตลาดเห็นหมาน้อยกดยาเห็นหมาที่เรื้นมันหิวโหยก็เอาปิ่นไก่ให้มันกินอย่างนี้ได้บุญมากกว่านะได้บุญมากกว่าคนที่อยู่วัด มาปฏิบัติธรรมจะว่าเห็นแก่ตัวมาวัดบางทีได้บุญ น, น้อยนะกว่าอยู่บ้านบางคนมาวัดยังได้บุญ น, น้อยกว่าคนที่ไปจับปลาดรวยซ้ำฝังไล้งงเนะี่ย จับปลามันได้ได้ดุมากคนที่ไปอยู่วัดไดนะ้ยงไงมีคนสองคนนะนายกรนายขอเป็นเพื่อนกันนายกรตื่นเช้าขึ้นมาวันพระก็ชวนนายขอเป็นเพื่อนว่าเราไปชัยบาทแล้วก็รับศีลแล้วไปฟังธรรมกันะ ในขอก็อยากไปแต่ว่าเช้านี้ไม่มีอะไรกินเลยก็จเกำเป็นต้องไปตกปลาจับปลานาอกไปวัดในขอกจะจับปลานายกอยู่วัดเวล า, าพากฟังเวล า, าพากแสดงธรรมนกอพนมมือจต่ใจนี้กจะหนในขอ ว่านยขอกำลังจับปลาอยู่อยากให้นายขอดีเยอะๆจะได้ไปขอแบ่งเอามาทำแกงส้มแกงแกงเขียวหวานแกงทำแป๊กสั่งอยู่วัดนะแต่ว่าใจเนี่ยอยากให้นายขอนี่เสื่อนเนี่ยจับปลาได้เยอะ ัวรได้มีส่วนด้วย่วนได้ขอวานแพรให้อยู่แต่เวลาได้ยินเสียงคองเสียงระฆังจากวัดแกก็พนงมือในใจนะโอ้เพื่อเราเรานี่กำลังทำบุญอนุโมทนาด้วยนะ น, นึกถึงธรรมะที่หลวงพ่อลตาสอนเก็บใจก็เกิดบาน วันนั้นนายขอจับปาไม่ได้กตัวเลยแต่ได้บุญนายขออยู่วัดไม่ได้บุญนะ้หรือได้น้อยเพราะว่าใจาเนี่ยมันอยากจะให้เพื่อนเนะี่ยจับปลาที่เยอะฉันจะได้กินด้วยส่วนนายขอนะอยู่มนัอนอยู่ใอยู่ริมนนองหวานแห่แต่ใจนึกถึงธรรมะนถึงเพื่อนที่อยู่วัดทาบุญได้บุญนะ ไม่ใช่ว่าอยู่วันจะได้ดูเสอไปนะอยู่ที่ใจว่าใจมันคิดอะไรอย่เวลารักษาศีลเราสึกว่าเออฉันเป็นคนมีศีลมีธรรมฉันเป็นคนดีดูถูกคนที่เขาไม่มาปฏิบัติธรรมเขาไม่มารักษาศีลมีธรรมอย่างนี้จิตใจมันสู้มองเลยนะเป็นเสน่ห ตัวในรักษาศีนแต่ข้างในใจเนี่ยกิเลสครอบงำยกตนโผงท่านนี่ได้บุญน้อยนะภาวนาตนัวเดียวกันนะภาวนาภาวนาเพื่อให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนเคร่งนะ เวลาไปไหนก็ปวดว่าในฉันน้ไปทำงานฉันไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่มาอยากให้คนชมแค่นั้นไม่พอก็ดูถูกคนที่ไม่มาด้วยเด็กใจชอบหองได้บุญน้อยนะและระหว่างที่มาลองที่ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวผมขาวก็จริงยกมือก็จริงแต่ใจไม่รู้ไปไหนใจลอยที่จะเลื่อนเที่ยว จะเรื่องการหาเงินหาทองปฏิบัติธรรมเสร็จจะไปซื้อหวยที่ไหนดีเนยะจะไปซื้อเลขไหนดีคอยเฝ้ามองว่าหลวงพ่อจะบุญเลขอะไรมาบ้างนะจะได้ไปซื้อหวยนะอย่างเนี้ยก็ไม่เรียกว่าภาวนาลนะูกแบบ อากาศปริยาภายนอกเนี่ยดูเหมือนภาวนานะแต่ข้างในมันมีแต่ความยึดติดถึงมามีความโลภหรือว่าอยากจะให้นคนชมอะไรก่อนมันมีคําพูดเนี่ยเป็นสำนวนว่า ท, ทําบุญเอาหน้าภาวนาตอแหลเคยได้ยินป้ะทำบุญเอาหน้าภาวนาตอแหลต้องระวังนะ ไม่ได้บุญนะนะคนเนี่ยภาวนาบุญทาหน้าภาวน า, า, าตอนหลนอยู่บ้านนะเอื้อเฟื้อมีความชื่อเหลือเอื้อเื้อคนอื่นใครเดือดร้อนก็ช่วยดูในตลาดเจอคนทุกคนจะเคยเจอขอทานก็ช่วยไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้บุญกว่าเฮ้ยชาวพูดเราเนี่ยเราเห็นนิปฏิบัติ กันมากเลยเพราะว่าไปฏิสที่รูปแบบหรือว่าทําตามที่ทำตามตามธรรมมาทําตามประเพณีเวลาจะเวลาถวายชาแล้วอุทิศส่วนอุชิตไปให้กับคนที่ร่วมรับที่จริงที่ใจนะใจนึกถึงคนที่รวงลับอุทิศส่วนอุชิตไปให้เขาเนี่ยมันก็ถึงแลละ แต่ส่วนใหญ่ก็ไปติดที่รูปแบบเช่ว่าต้องมีน้ําต้องมีน้ำกรวนนะไม่กวดน้ํานี่ทำไม่ได้นะกวนในใจไม่ได้และกวดน้านม่ต้องให้พระแยะถากร น, นะพระพระไม่ยถานี่กวดไม่ได้นะอาตมาเคยไปบินท บ, บาทนะบินท บ, บาทเสร็จนะก็บอกขอกวนน้ํา ออกมาก็ให้คว่ะสั้นๆเลยอิชิตังปฏิตังรวมหัง็นจบเขาก็ยังไม่ปวดนะแล้วพ่อพัดพวงว่าเนี่ยไม่แย้าถาเลยทําไมต้องรอแ ย, ย้ถาด้วยควดน้ำยังไม่ต้องรอเลยนะผ้าแย้ขาเมื่อแย้ถาหรือผ้าจะปวด่ว น, ดนไหนมันก็ได้ทั้งนั้น เราไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้พระยาขาหรือว่าพระสวดบทไหนมันก็ได้ขอให้ใจเราเป็นบุญแล้วบุญนั่นแหละมันจะทำให้การอยูที่สวดบทของเราเนี่ย ม, มีพลงังคนไทยมังติดรูปแบบมาก <c oughs> ที่กินก็เป็นกันหมดนะ เราไม่เข้าใจสาระไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติทามการทำความดีอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะอยู่วัดอย่างในกอเนี่ยแต่ใจเนี่ยนึกถึงปลาอย่าให้เพื่อนจับปลาได้มากๆอันนี้ใจไจะเป็นบุญแล้วเพราะมพิจจะเรื่องการทำความดีบาเพื่อนในขออยู่ริมหนองน้ำหวานแห แต่แกเนี่ถึงบุญบุญสนที่เพื่อนกะลังทำอยู่ที่วัดอย่างนี้ได้ได้บุญส่วนมันก็เหมือนกันนะสวนมนต์เนี่ยนะมีคนจีนมนหนึงนะแกชอบสวดมนต์สวนมนตของคนจีนเนี่ยนะถึงแม้เป็นพุทธก็ไม่เหมือนบ้านเรานะ ก็จะเอ่ยนาพระพุทธเจ้านภโมเนโอเรนเจเกียวนะอันนี้ก็เป็นคาเอ่ยนาพระพุทธเจ้าอมิตาภพนยอมิตาโพเผื่ออิตาภคงั้คุณยายคุณยายก็สวดมนต์วันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแล้วก็วันมหลายครั้งด้วย มีคราวหนึ่งแกสวดมนต์เนี่ยเกือบเป็นชัว่วโมงแล้วนะมีเพื่อนบ้านมาเรียกเรียกชื่อแกเรียกหลายครั้งแกจะยิงนะแต่แกกาลังสวดอยนนะู่แก ก, แ ก, ก็ไม่ออกไปรับไม่ออกไปถามเพื่อนเนี่ยก็รู้ว่าแกอยู่ที่บ้านก็เรียกชื่อ ยายแกก็ชักระรังคาแล้วนะส่วนไปส่วนไปแจก็รําคาขุนมัวส่วนเพื่อนนี่ก็ยังไม่รับความพยายามก็เรียกอีกนะเรียกชื่ อ, อสุดท้ายเนี่ยยายเนี่ยแกผลไม่ได้เดินไปที่หน้าตา่าง แล้วก็ดา่าว่ากูกลังสวดมนต์อยู่ทำไมมาต้องปวนกูแบบนี้ละวก็ดา่าไหมเพื่อนตกใจแต่ก็ใจสตินะแทนที่จะด่ากลับก็กลับพูดว่าเนี่ยฉันเนี่ยเรียกชื่อนะคุณยายเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยยายยังโกรธขนาดนี้ แล้วยายเนี่ยเ อ, อ่ยชื่อเ อ, อ่ยนามุูธเจ้าเนี่ยเป็นพันพันครั้งเนี่ยไม่คิดว่าพระเจ้าจะโปรดนะส่วนมรนเนี่ยนะมนทำให้ใจเย็นยิ่งสวดมนเนี่ยก็เพื่อทำให้ใจเป็นกุศล ส, สวดไปใจถุนมัวเพราะมีคนมาเรียกเนี่ยนะอันนี้ไม่ถูกนะ สวไปสวดไปโมโห О, หยุดสวนกลางทันเดินกระดาเนี่ยไได้บุญก็ไม่ได้บุญสู้ดูทรทรศดูทรที่บ้านนะเส็จ แ, แล้วมีคนมาเรียกมีคนมาเรียกชื่อมหาก็ไม่ได้งุดมีก็เดินไปพักเดินไปถามเขามีเรื่องอะไรนะ ไม่มีความโมโหโกรธาไม่มีความขุม่นมัวอย่านี่ดีกว่านะนะดูว่าสวดมนแต่พวมีเสียงดังนะเสียงคนคุยเสียงเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงช่างกําลังตอกตะปูสวดไปก็ดา่าเลยเสียงดังมั่วสติสวดไปก็ด่าไปนิดด่าคนที่ส่งเสียงดังสู้คนที่ดูโทรทัศน์นะ แต่ว่าจิตใจสงบเย็นไม่ได้เพราะนั้นเวลาเวลาเรามาภาวนาเนี่ยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ให้รู้นะว่าเราทำไปเพื่ออะไรที่จริงภาวนาเนี่ยนะแม้จะไม่ยกมือสร้างจังหวะไม่เดินจงครมแต่นอนอยู่ อาจจะภาวนาก็ได้นะพผู้เจ้าบอกว่าบุคคลเมื่ อ, อยืนเดินนั่งหรือนอ น, เ, นเมื่อมีอักุศลนหรือมีกิเลสเกิดขึ้นในใจก็ไม่ยอมคอยตามกิเลสนะนั้นพยายามกำจัดยพยายามบรรเทาให้หมดไปบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำความเพียรเผาทีเลนแปเนี้วก็ถึงแม้จะนอนอยู่แต่ว่าพอมีความคิดพุ่งสร้างโลภะโทสะเกิดขึ้นก็รู้จกักขวายรู้จักวาอย่างนี้ดีกว่าคนที่นั่งสร้างจังหวะเติอนจงโกมต่้ว่าเต็มู้ด้วยความโลภ ค, ความโกรธอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยนะ อย่าไปดูที่ภายนอกแล้วก็ไม่ต้องดูคนอื่นด้วยมีบางคนนะฟังธรรมอยู่ที่สุขโตนะเห็นเพื่อนไม่ยกมือสร้างจังหวะตัวเองก็ยกมือนะยกมือเรฟังเรืยเพื่อนไม่ยกมือสร้างจังหวะ ก็ไปว่าเขาว่าทํำไมไม่ปฏิบัติทําไมพูดอย่างนั้นก็เพราะเห็นเขาไปยกมือการปฏิบัติมันไม่ใช่ยกมือมันต้องไปดูว่าใจเขาคิดทางนั้นก็าเป็นยังไงใจเ้ามีสติไหมว่าจะเรามีสติอยู่กการฟังก็ได้มีจิตที่แน่วแน่อยู่กับเสียงบรรยายอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเนะี่ย เพียงแค่เขาไม่ยกมือเนี่ยเราจะเพิ่ไปบอกว่าไปสรุปว่าเขาไม่ปฏิบัติและที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ปฏิบัติก็คือตัวเราหรือตัวคนที่ไปทักนะไปว่าเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปดูใจก็ไปดูคนอื่นไม่ดูใจเจ้าของตอนนั้นจาใจเจ้าของมันขุนโมแลนะ้วเพราะว่าคนที่นั่งข้างเขาไม่ยกมือ จิตนะใจคุณมัวก็ไปว่าเขาที่จริงเป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเราเราไปยุ่งกับเขาทํใไมเขาไม่ปฏิบัติตั็เรื่องของเขาแต่เพราะว่าเรานะไม่ดูใจของเราเราก็อยากจะแสดงว่าฉันเป็นนักปฏิบัติให้เวลาเราไปวิจารย์ใครเนี่ยไปไปต่อว่าใครเนี่ยมันกาลังแสดงว่าฉันดีกว่าเธอ อันนี้นก็เกิดจากกิเลสกิเลสที่มันอยากจะบอกว่าฉันดีกว่าเธอกิเลสตัวนี้แหละที่มันสั่งให้เราว่าสั่งให้เราตรงนี้สั่งให้เราไปอต่อว่าคนอื่นและการที่ปล่อยให้กิเลสตัวนี้มันคลองใจแสดว่าอะไรแสงว่าไม่ดูใจเจ้าของยกมือสร้างจังหวัะแต่ไปดูคนอื่นไม่ดูใจตัวเอง อย่างนี้เนี่ยผิดสองประตูนะประตูแรกคือไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรจะคิด่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการยกมือการยกมือเป็นแค่รูปแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ข้างในใจการยกมือเป็นตัวช่วยแต่ถึงแม้ไม่ยกมือก็อาจจะมีสติก็ได้มีข้อแรกก็คือคนผู้หงเนี่ยคือไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไร นี่ผิดข้อที่หนึ่งนะครับข้อสองคือว่าไปดูคนอื่นไม่ดูใจเจ้าของก็เลยไม่พอใจที่เขาไม่ยกมือเพราะที่ว่าเขาไม่ปฏิบัติงั้การปฏิบัติเนี่ยนะขอให้เราเข้าใจให้ถูกนะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเพื่อลดเพื่อล่าเพื่อปล่อยเพื่อวางแต่ทำนันได้ต้องมาดูใจเจ้าของ ดูอยงมีดูด้วยสตินะถ้าไปดูคนอื่นไม่ได้ดูใจเจ้าของอันนี้ก็ไม่ปฏิบัติน่าจะยกมือมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นขอให้มันคล่องนำใจก็ไม่ปฏิบัติก็เรียาไม่ปฏิบัติน่าจะยกมืออรู่ก็ตามให้ทารักษาศีลแต่ให้ด้วยความโลภ ให้ดูกีนเลสรักษาศีลเพราะอยากโชว์อยากแสดงว่าฉันเป็นคนเคร่งนะยกตนข่มท่านอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะนั่นเข้าใจให้ถูกคนที่ในสายพุจารณาเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยมีมากมายที่ไม่ได้บรรลุธรรมขณะที่กำลังนั่งภาวนา หรือเดินจนงกรมบางทีก็บรรลุธรรมขนะที่เล่นเสียงเพลงภาคติศเดินผ่านบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนางท้าหรือคนใช้ก็กำลังร้องเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับความให้เ่ยงของชีวิตคห้ๆเพลงมันบอลนายดอกนายจำได้ไอมมันบอลนายดอกนาย ปฏิจาฟังแล้วก็พิจารณาเห็นแจ้งในกายรับบรรลุธรรมเป็นพระรหัสเลยพระนักสมานเดินข้าไปในเมืองคงี่เดินฉาบก็เห็นขบวนฟ้อนรำมีหญิงสาวหลายคนแต่งตัวสวยงามทัดดอกไม้ประครมด้วยของหอม การได้รัก็มีเช่ามีคล้ายๆเป็นการเยา้ายวนให้หลงไหลเพลิดเพลินหรือเกิดการมาราคะแต่ถ้าสมารพิจารณมอแล้วมีสตินะก็เห็นว่าโอเนี่ยเนี่ยคือบ่วงแห่งมาแท้ๆเลยไอ้สังขารร่างกายที่สวยงามที่จริงนี่มันเป็นของที่เน่าเปื่อยนะไม่น่าชื่นชม พิจารณาก็เห็นแจ้งในใจรักบรรลุธรรมเป็นพระอรหรรันต์พระระคุณตะกัดปฏิยะเดินมิบาอยู่ก็มีรถม้าคันหนึ่งล่นผ่านสวนมาไม่ใช่ล่นผ่านสวนมาในรถก็มีนางคณิกาสวยเห็นพระลคุณตะ ก, ก, กัดก็ยิ้มเพราะท่านเนี่ย ตัวเล็กๆ เ, เหมือนเนมนางพนิกาเหและวคงอินดูเพราะแล้วคนอากาศพิจรารณาเห็นฟัน<ม>เห็นฟันเนี่ย<ม>เห็นรอยยิ้มของนาแต่แทนที่จะเกิดการมาราคากับพิจรารณานเห็นพวกองค์สังขารก็รู้แจ้งเห็นรมเป็นพระอนาคามตรงนั้นเลยทั้งหมดที่พูดมาีท่ท่านปฏิบัติธรรมนะ แต่ว่าไม่ปฏิบตัติไม่ได้ปฏิบตัติอยู่ในวัดท่านรู้จักพิจารณาการพิจารณานี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งพิจารณาดีๆในบรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระอาราหารันต์เป็นพระนาคามเีเวลาดูข่าวดูโทรทัศน์เนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะ แกเป็นมะเร็งที่ใบหน้าเป็นแถลใหญ่มะเร็งใบหน้านี่ไม่ค่อยมีคนเป็ดนะใครเป็นนี่ถือว่าสวยมากเลยเพราะมันปวดมากแล้วก็หน้ารังเกียจแผใหญ่ต้องเอาภาพถึกที่ใบหน้าผู้ชายคนนี้อายุสีสิกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันกินไปทั้งแก้มนะกินไปถึงจมูก บางส่วนแล้วก็ในผิว่ากต้องออกผ้าพันแผลปิดเอาไว้คนที่เป็นมะเร็งใบหน้าเนี่ยเวลาเขาออกไปข้าง น, นอกเนี่ยเขาจะปวดมากเลยเพราะว่าเส้นประสาทมันทำปฏิกิริยากับแสงแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านจะเจอใครก็ลำบากเพราะกลัวว่าคนลังเกียด ในอเมริกาคที่เป็นเมเรงใบหน้าเนี่ยค่าตัวตาย25เปอร์ซมะเร็งนี้ทำให้คนค่าตัวตายมีน้อยนะมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะมะเรงกระเพาะอาหารเนี่ยน้อยคนนะที่ค่าตัวตายแต่มะเรงใบหน้าอีกตายถึง25เปอร์เซเพราะการตีชีวิตตัวเอง หมอเนี่ยที่ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนแข่คนนี้หนักใจมากเจอกลัวจะเจอคนแข่ที่ซึมเศร้าหรือกายเกลียวแต่พอไปถึงหมอก็แปลกใจนะคนแข่คนนี้แกโภพาปาสายดีคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าเนี่ยตอนที่แกยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยกินเหล้าเมายาสัมไม่ไดเทมเามาก ืีวิต เ, เป็นโลถเป็นพายมีครอบครัวก็อยากมีลูกลูกก็ไปอยู่กับเมียแกพูดไปก็เหมือนกับว่าออทําใจได้ว่าที่เป็นอย่างเนี้ยที่เป็นมะเร็งอย่างเนี้ยเพราะว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงเพี่อพฤติกรรมเสี่ยงแต่หมอก็ยังแปลกใจนะว่าทนได้ยังไงเนี่ย แกดูไม่มีอาการหรือเนื้อร้อนใจเลยทั้งที่มะเร็งเนี่ยมันปวดมากแล้วก็เป็นที่รังเกียจของคนด้วยนะเพราะว่าใบหน้ า, ามันมีแผลแต่บางคนคนี่แกก็ดูเหมือนทำใจได้อะไรทำให้แกทาใจยอมรับกับโรคมะเร็งและความเจ็บปวดได้แกก็เล่าว่าวันๆแกไม่ได้ทำอะไรหรอก ต้องอยากว่าลูกก็มาดูโทรทัศน์โทรทัศน์ช่องที่แกดูก็คือ c n เอ n นอนีเ็น่มาเป็นสารคดีมาเป็นโทรทัศน์ข่าวสาร24ชั่วโมงนะแกเปิดโทรทัศน์ดูดูไปดูไปแกก็ได้คิดอย่างหนึ่งนะคือข่าวในโทรทัศน์เนี่ยมันก็มีข่าวอุบัติเหตุ สงครามต name, valleys, aan, ่างก่อการร้ายแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนแรงอดอยากคืบโผล่โรคลำบากแกดูดูไปแกก็ได้คิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนคืบขาหรือดำมันก็มันก็ทุกข์ทั้งนั้นละเจอทุกข์ไปคนละแบบแกดูไปดูไปก็พิทิ่ตอบไปว่าเออไอความเจ็บปวดของเราเนี่ยนะ มันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกผู้ ง, งานีแกว่าความทุกข์องแกเปเรื่องธรรมดาคแค่ๆก็เป็นกันแกเียยอมรับได้ยอมรับได้เนี่ยแกก็เลยทนอยู่ความเจ็บปวดได้ปวดกายแต่ว่าใจปวดน้อยมากแกบอกหมอว่าเนี่ยทุกวันนี้แกก็พยายาม ดูแลจนให้ดีเพื่อจะมีชีวิตยืนนานไม่ใช่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อเพื่อลูกเพราะว่าไม่เคอยดอยู่กับลูกเลยก่อนป่วยตอนนี้ป่วยแล้วอยากจะอยู่กัูให้นานๆเป็นการชดเชยหมอว่าแกอยู่ได้ประมาณสามหกเดือนแกนอยู่ได้เป็นปีนะเพราะว่าแกจิตใจแกไม่ทุกข์นะไม่เศร้าไม่โกรธมาก แกอยู่กับโรกมาเร็งได้เพราะอะเพราะแกยอมรับความจริงแกรับความจริงว่าอะไรแกรับความริงว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะนะที่เราส่วนมันทุกเชา้าทุกเย็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนี้แหละความทุกข์เป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราลดเพิ่มความแก่กัไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เราจะลดเพิ่มความาเจ็บไ่้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะลดเพิ่มความตายไปไม่ได้เราจะ ต, ต้องพัดพา ด, ดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่ยบทวนะิทยาณาที่ชอวา่าปิหาปัจเวกเนี่ยนะสอนเราว่าความทุกเป็นธรรมดาไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะพัดพาดพดวงใจหรือความตาย ถ้าหากว่าเห็นว่าความแก่เป็นธรรมดาความเก็บความดเป็นธรรมดาเนี่ยถือว่าเข้าใจธรรมะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยแกเข้าใจธรรมะเนี่ยจากการที่ได้ดูโทรทัศน์รู้จักคิดพิจารณาตาในนี้เราปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ไปวัดหรือไม่เคยเหยียบวัดเลยนะแต่ว่าเห็นธรรมะจากการที่ดูโทรทัศ พราว่ารู้จักพิดเจรนาอย่งนี้เราปฏิบัติทำแต่หลายคนมาวัดนะมาวัดเนี่ยก็คิดแต่จะมาเอาบุญนะแต่ไม่เคยที่จะเปิดใจรับฟังธรรมะเลยเวลามาวัดก็คิดแต่จะเอาบุญจะได้รวยจะได้รวยรวยรวยคิดแต่ความร่ำรวยคิดแต่ความสําเร็จความมีโชคมีลา ไม่เฉลียวใจเลย ว, ว่าไอ้พวกนี้มาไม่เที่ยงนะหลายคนมาวัดเนี่ยแต่ไม่เคยได้เรียนรู้เลยนะว่าความทุกเป็นธรรมดาความพลดพลาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมาวัดแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้อะไรเลยที่เป็นเรื่องของธรรมะพอเจ็บพอป่วยเข้าก็ตีโพทีพาว่าทำไมต้องเป็นชั้นนะ คนที่คิดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จักธรรมะมาวัดทั้งชีวิตแต่ไม่ได้ธรรมะเลยก็มีอเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแกก็รักษาสีสิลห้าก็ไม่ใช่งานนะผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยรักษาสิลห้าเล่ายาไม่แต่ช่องก็ไม่เที่ยว ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือมีคิดมั่วเหมือนกับคนสมัยนี้แกก็ชอบทมบุญทำกุศลด้วยแกก็ทำมาตั้งแต่หนุ่มจนสี่สิบห้าสิบสี่สิบกว่าลนะแล้วหมแกก็ทำด้วยความเชื่อว่าทำแล้วจะได้ความสุขความเจริญมีอายุยืนมีความสำเร็จในการงานแต่ว่าแกพวกแกเป็นมะเร็ง แค่ช็อกมากเลยเสียใจตกใจและโกรธด้วยทำไมโกรธเพราะมันก็ว่าถูกหลอกรู้สึกมืนถูกหลอกทำดีมารักษาสิ่งทำบุญมาทำไมถึงต้องมาเป็นโลกนี้อ้าวทำไมไม่มีทำไมอายุวันละสุขขั้ระมันหายไปไหนโกรธนะแค้ ตลอดเวลที่ป่วยนีย่แกก็เป็นคนที่กราบเกลี้ ม, มากเอาเราว่าใส่หมอใส่เพรียบานไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ตอนตายก็าตายไม่สงบคนนี้แตกแกตายจากคนที่พูดเมื่อกี้นี่เป็นมะเร็งปากนะคนที่เป็นมะเร็งปากนี่ไม่ไม่เคยได้ไปเยี่ยมวัดเลยแต่ก็มีธรรมะ พอเขารู้จักคิดจากการที่เขาดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งเข้าวัดทาบุญรักษาศีลแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพระก็สอนนะบทสวดมนก็พูดแต่ว่าใจไม่เปิด หูไม่ฟังคนแบบนี้มีเรื่อะนะมาวัดแต่ว่าคิดแต่เอาคิดแต่จะเอาบุญแต่ไม่เคยเรียนรู้เปิดใจฟังเรื่องความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตประมาทนะที่ว่าตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าฉันทําดีมาเยอะฉันทําบุญมามากคนวัดคนที่ชอบเข้าวัดมีประมาทนะที่ว่าเนี่ย ฉันทำความดีมาเยอะสร้างบุญมาไม่ฉันต้องอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เรียกประมาทแล้วก็หลงด้วยเพราะว่าไอ้โรคภายแค่เจ็บกวามเจ็บความป่วยนมันไม่เลือกนะว่าจะต้องเป็นพระเป็นโยจะต้องเป็นคนดีคนมีศีลแม้แต่พระอารหรนะันต์นก็ยังป่วย และที่มรณภาพก็ลงมะเร็งเยอะไวบคิดว่าฉันทำความดีแล้วเนี่ยจะรักษาศีแล้วจะไม่เป็นหอกมะเร็งอันนี้เรียกว่าทั้งประมาทและทั้งโง่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าความพุกมาเป็นธรรมดาที่เกิดกับใครได้ทั้งนั้น เมื่อสี่สิบ้าสิบปีก่อนนะั้นมันมีไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดจุรินรกลางเมืองเลยไฟไหม้เผาผลาญไปเป็นร้อยหลังคางเรือนได้นะคนสิ้นเนประดาตัวก็เป็นร้อยเป็นพันก็มีญาติโยมหลายคนเนะี่ยมาพูด กับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นเจ้าวาดพระบุรพานังการมุสุลิมไ <c oughs> ปรู้สึกหลวงปู่มั่นเรื่อยๆมาพูดกับตัวบ้างหรือว่าพูดผ่านคนอื่นบ้าง <c oughs> ว่าครอบครัวเขานี่ทำบุญทําท า, กาทงกันมาตั้งแต่หลายรุ่นปู่ย่าตา ย, ยายก็ทําทบุญ พ่อแม่ก็ทำบุญตัวเขา้าทอดกปถึงทอทอดปลาก็ไม่เคยขาดทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คือ ถ, ถูกไฟไหมตูนเสียทรัพย์สินทำไมบุญไม่รักษาทำไมไม่คุ้มครองต่อไปนี้จะไม่เข้าวัดแล้วจะไม่ทำบุญแล้วหลวงปู่ท่านฟังนล้นก็เลยบอกว่า ไฟมัททำหน้าที่ของมันนีโยมแต่ถ้ากระบอกเนี่ยความเสื่อมความวิบัติความาวามัตราทามมพัดพราดเป็นธรรมดาโลกผู้ใฝ่ธรามผู้มีธรรมะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําอย่างไรใจจะไม่ทุกข์อย่างนี้แต่หากเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะเนี่ยจะช่วยให้ไม่เจ็บไม่คิ้ไม่โหย ช่วยให้ไม่ตายนะหรือว่าไม่ประสบความสูญเสียวิบัติอันตรธานหนะ้าคะพุทองการบอกว่ารบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเร า, ามาีธรรมะจริงเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เราในใิาใ้ใจไม่ทุกขนะ์ธรรมะช่วยให้แกไม่ทุกข์ได ทำไมจะไมุู่เกาเข้าะว่าเห็นมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาลูกแต่มีคนจำนวนมากเข้าวัดทำบุญแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยไปคิดบางทีไปคิดฝัน ท, ที่มันสวนทางความจริงว่าถ้าเข้าวัดทำบุญแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วย งั้นเวลามามาวัดเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ให้ใจเราเปิดกว้างเรียนรู้เรื่องธรรมะโดยเฉพาะเรื่องของความทุกข์ว่าเป็นธรรมดาโลกพี่ถ้าเราเรู้แล้งเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นเจ็บป่วยก็จะสูญเสียทรัพย์สินก็ดีสูญเสียคนรักก็ดีใจก็ไม่ถุก การพิจารณาเนี่องนคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะซึกขาไม่ได้มาว่าแลาต้อพิจารณาเรื่องนี้เปิดใจฟังเรื่องนี้นีไม่ใช่มาเอาแต่ยกมือสร้างจังหวัดเดินจงกรมแต่ว่าพอพากูเรื่องความพัดพาความสูญเสียก็เอามือปิดหูหรือว่าปิดการไม่รับฟังเนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะ เอาก็ขอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอทีนะอ่ติจะเป็นเท่านี้นกะ็ท้ายสุดนี้ขอให้ญาน ท, ทุกคนนะขออ้างคุณพระศรีรัตนใจอำนวยเอเื้อเฟืให้ทุกท่านได้เจริญรุ่ อ, อายุกวันนาสุขาพะละเพื่อเป็นพระปัใจจัยในการทำความดีงานไม้ถึงพร้อมด้วยทางศีลภาวนานำพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขปลอดภัยใกลจากความุ มีปัญญาเป็นความจริงของชีวิตจนเข้าถึงความสุขกระแสในสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายที่กาทุกคนเทิง